อันที่จริงเนี่ยผมก็ไม่ใช่พูดเท่าที่สุดนะยังมีเท่าก่าผมแต่คนอื่นก็ไล่ตามมาติดๆที่กล่าวเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าอยากจะชักชวนผู้ที่มีอายุทั้งหลายซึ่งนอนตื่นดอนมากนอนตื่นเช้าอนะที่สี่ที่ห้าก็ต้องตื่นแล้วไม่เหมือนหนุ่มๆสาวๆนะคุณจูตื่นยีทุ่ ม, มตื่นเช้าเออที่สี่ก็ตื่นแล้ว ตอนนี้ถ้าตื่นขึ้นมาเนี่ยนะก็อย่าไปนอนต่อเลยนะใ จ, ใจผมนะก็ชวนขึ้นมาขึ้นมานั่งตรึกนะตรึกถึงธรรมะที่ได้รำไดเรียนไปแล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์มากเลยนะผมก็ตั้งใจว่าอาศัยตอนเนี้ยตอนเช้ามืดเนี่ยมันเงียบดีด้วยนะแล้วก็ยังเรื่องราวต่างๆในครอบครัวก็ยังไม่ค่อยยังไม่เริ่มเหมือนกันเลยนะนะนะก็อยากจะชักชวนว่ามีประโยชน์จริงๆ นะมีประโยชน์จริงๆอาศัยชั่วโมงสองชั่วโมงในวันหนึ่งในบรนปลายชีวิตนี้จะจะทำให้เรามีที่พึ่งอี ก, อกในในในวันคับขันมั้งั้นเถอะเพราะฉะนั้นก็อยากจะชักชวนลองดูนะลองขึ้นมาทีห้าก็ได้นะถ้าหนาวก็เอาผ้าห่มคลุมนะนะนั่งคัดสมาธิแล้วกนะ็ถ้าจะเพ่งลมหายใจให้สงบซะก่อนนะเคยเคยตึกยิ่งดีอห นะถ้าเพ่งลงมหายใจนับหนึ่งถึงร้อยแล้วใจไม่วอกแวกแล้วก็ตึกเออตึกอย่างน้อยที่สุดก็ทบทวนเพราะทำที่ได้เรียนไปแล้วเนี่ยนะถ้าตึกไม่ออ ก, กแต่ถ้าตึกไปบ่อยๆก็จะออกเองนะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมตึกเนี่ยนะผมตึกถึงพุทธคุณนะพอโลพอโลกาวิทูเนี่ยนะก็ไล่ไปเรื่อยนะโรคหนึ่งโรคสองโรคสามโรคเนี่ยนะพอไล่ไปถึง โลกสามเนี่ยเอ๊ะโลกสามนี่คำว่าโลกวิถูหมายความว่าพระภูทธภาคทรงรู้โลกแจ่มแจ้งหมายความรู้กายยาวานะคือรู้โลกขาน่าเนี่ยแจมแจ้งตอนนี้โลกสามก็มีได้แก่เวทนาสามสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกคมสุขเวทนาเนี่ยเอ๊ะเป็นโลกได้ยังไงลองไปตึกดูนะนะเอ๊ะทำไมพระองค์จึงจึงเอาเวทนามาเป็นตัวแทนของโลก ทำไมพระองค์จึงไม่เอาสัญญาทำไมพระองค์จึงไม่เอาเอารูปแต่พระองค์เอาเวทนาสามแสดงว่าเวทนาสามเนี่ยเป็นตัวแทนของโลกได้จริงๆนะเออตรงนี้ถ้าเราไปตึกดูนะว่ามันเหตุผลยังไงนะก็ชีวิตคนเนี่ยนะก็ไม่สุก็ทุกข์ไม่ทุกข์ก็เฉยๆอยู่สาอย่างนะและ้วทำไมพระองค์บอกว่ารู้แจ้งสามเวทนานี่นะถ้ากับรู้แจ้งโลกโอ้โหนี่เรื่องใหญ่นะเรื่องยาว นี่ยยังไงให้ท่านอนธะิบายก็นเ้ยโลกนั่นไงการถนัดถ้าพูดถึงคำว่าโลกนี่คิดถึงอะไรก่อนอ๋อคิดถึงอ๋ อ, อแล้วแต่จะน้อมไปนะน้อมไม่หมดเลยแสดงว่าชำนาญมาก คือคำวันโลกก็แปลว่าสิ่งที่จะต้องแตกทําลายไปนนสิ่งใดที่จะต้องแตกทําลายไปสิ่งนั้นอนะชื่อว่าโลกทีนี้โลกคือสิ่งที่แตกทําลายไปในที่นี้เพ่งปฏิสังขารโลกแต่ถ้าเป็นสัตว์วัโลกก็คือที่ดูบุญดูดูบุญดูบาปเป็นที่ดูผลบุญผลบาปก็ได้ะชีวิตแต่ละคนเนี่ยเอาไว้เป็นที่ดูผลบุญผลบาปอย่างหนึ่ง แล้วก็ดูบุญบาปที่กาลังทำใหม่ด้วยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยะส่วนโอกาสสโลกก็คือภาชนะเป็นที่อาศัยอยู่ของสัตวโลกทั้งหลายทีนี้ย้อนมาถึงว่าขันธโลกหรือสังขารโลกเนี่ยะโลกคือสังขารทั้งหลายที่เป็นสิ่งที่จะต้องแตกทำลายไปสิ่งที่จะต้องแตกทำลายไปเนี่ยมีอะไรบ้างก็ถ้าแบ่ง ใครชอบหนึ่งก็แบ่งเอาไปหนึ่งนะคือสพเพสตาอาหารทิทิการเนี่ยใ น, ะนเรว่าโลกหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงเนีนะสพเพสตาเนี่ยสพเพสตาแปลว่าปัจจยุปันธธรรมท้งปวงคำว่าศัตว์ตัวนั้นบ่งถึงสังขารนอาหารทิทิกานะอาหาร ะ, าาาระตัวนั้นเป็นชื่อของปัจจัยที่ติแปลว่าดารงอยู่นนะ อันสังขารทุกชนิดดำรงอยู่ได้ด้วยปัจจัยสังขารทั้งหลายก็ดำรงอยู่ด้วยปัจจัยถ้าสิ่งใดก็ตามที่ดำรงอยู่ด้วยปัจจัยสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงเนี่ยนะอันนี้ก็คือนิยามของโลกหนึ่งใช่ไมสิ่งที่ดำรงอยู่ด้วยปัจจัยไม่เที่ยงทีนี้เอกสิ่งที่ดำรงอยู่ด้วยปัจจัยอ่ะปัจจัยของโลกนั่นแหละเรียกว่าสมุทัยใช่หมแต่ทีนี้ถ้ารู้แค่ว่ารู้แค่นี้พอไมว่าโลก อเสร็จแล้วก็โลกเนี่ยอยู่ได้ด้วยปัจจัยแล้วมันไม่เที่ยงพอไหมไม่พอเนี่ยนะควรจะแทงตลอดไปถึงพุทธพจน์ที่ว่านะโลกโลกกสมุทยัยโลกก น, นิโรธโลกะ น, นิโรทคามินีปฏิปทามันว่าควรคิดให้มันให้มันตลอดสายไปงั้นแหละเออถ้าโลกเหล่านี้ไม่เป็นไปก็เป็นนิโรธข้อปฏิบัติที่ทําให้แจ้งนิโรธนั้นเป็นโลกะนิโรธคขามินีปฏิปทา พันโลกหนึ่งเนี่ยจะประมวลเป็นอริยสัจก็ได้ถ้าโลกสองโลกสองก็คือนามกับรูปถ้ากล่าวโดยพบก่อนพบที่มีแต่รูปอย่างเดียวคืออรญยสัจเนี่นยนะอรยสัจมีแต่รูปอย่างเดียวและอนินริยพัทธรูปคือรูปที่ไม่มีอินทรีย์เลยพวกนี้ก็เป็นรูปล้วนๆต้นไม้ใบหญ้ามีแต่รูปล้วนๆส่วนพบที่มีนามล้วนๆเลยก็คือ อะไรอารูปประพรมอารมูปปรพรมมีแต่นามล้วนๆไม่มีรูปอยู่เลยมีแต่ความคิดจิตเจตสิกไม่มีไม่มีรูปเลยส่วนปัญจโวการภูมิทั้งหลายนะมิมที่มีขันธ์ห้าเนี่ยมีทั้งรูปและนามรูปนามนี้เป็นของอาศัยซึ่งกันและกันนะเกี่ยวเนื่องกันตลอด ไม่มีขนาดไหนที่ว่างเว้นจากการเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกันด้วยอำนาจของรูปกันนามเทีนี้รูปนามทั้งหลายที่เกี่ยวเนื่องกันก็แบ่งออกเป็นรูปนามที่เกิดจากอะไรเกิดจากสลายตระหนาหรือเกิดจากวิญญาณก็ได้เห็นถ้าแบ่งตามทวารนะรูปนามทั้งทวารตาหูจมูกลล้นกายและทวารใจถ้าเป็น ทวารตาเนี่ยนะอย่างจากักรโกรูปเป็นรูปจักรคูวิญญาณภาษาเวทนานี้เป็นเป็นนามทวารหูจมูกลิ้นกายก็ในย่านเดียวกันส่วนทวารใจนี่ยนะวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดเป็นรูปอารมณ์นี้เป็นทั้งรูปทั้งนามส่วนตัวจิตที่เกิดขึ้นทางมโนทวารตัวนั้นทําจิตตชรูปเสมอเนี่ยนะ จิตที่เกิดในมโนทวารวิถีทั้งหมดทําจิตตชรูปหมดเลยเพราะฉะนั้นจิตตชรูปที่ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นรูปประคันเนี่ยนะก็เป็นรูปนะน้ำเป็นปัจจัยแก่รูปเพราะจิตเหล่านั้นทําจิตตชรูปหมดเลยทันะ้ก็มีแต่นามรูปในทวารทั้งหก็มีแต่นามกับรูปเนี่ยนะถ้ากล่าวถึงคําว่านามคําว่ารูปเพื่อจะบอกอะไร เือจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้ว่างเปล่าว่วางเปล่าจากจากสิ่งที่เดรัจฉีคิดขึ้นหรือจะว่างเปล่าจากสิ่งที่ภาระปุตุชนคิดขึ้นะนะคื อ, อยังไงมันก็เป็นนามกับรูปวันยังคําแต่ว่าจะไม่เป็นอย่างที่บุคคลทั้งหลายคิดเช่นคนทั้งหลายเข้าไปคิดว่าสิ่งเนี้เป็นอัตตามันก็ไม่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันก็เป็นนามเป็นรูปวันยังคํา ทีนี้นามก็เกิดจากปัจจัยของนามรูปก็เกิดจากปัจจัยของรูปเนี่ยนะบอกว่าการพูดถึงนามกับรูปเพื่อประกาศความเป็นอนัตตาเนี่ยแต่พวกนี้ก็เป็นเป็นโลกแปลว่าสิ่งที่จะต้องแตกทําลายไปรูปถ้าแตกทําลายพานามแตกทาลายด้วยรูปนามถ้าแตกทําลายพารูปแตกทําลายด้วยเนี่ยนะ เช่นถ้าร่างกายเสียหายเนี่ยตายไหมเสียตายถ้าจุติจิตเกิดรูปไปอยู่ไม่ได้อีกแล้ว น, นะมันพากันเสียหายหมดแหละส่วนโลกสามคือเวทนาสามนะเวทนาเนี่ยถ้ากล่าวไปก็เป็นผลพวงของขันห้านั่นนะนะผลพวงของทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือเวทนานะนะถ้าพูดถึงคําว่าเวทนาเนี่ยเป็นคําที่อมความรวมถึงขันห้าทั้งหมด แล้วก็ในทุกทวารทั้งหมดแล้วก็ทุกอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยนะเพราะว่าเป็นปัจจยุบันที่ที่หยาบมากว่าั้นอะถ้าถ้าพูดถึงนามธรรมทั้งหลายนะเวทนาเนี่ยหยาบที่สุดนะนะเช่นถ้าโสมนัสเวทนาเกิดขึ้นนี่เห็นง่ายไหมอนนะเห็นง่ายมากนะใครดีใจก็เอ๊ยขึ้นมาเลยถ้าเสียใจนี่เห็นง่ายไหมก็เห็นง่ายฉะนั้นเวทนาเนี่ยหยาบที่สุดแต่ก็เป็นผลพวงของ ขันห้าเนี่ยนะพันธะพูดถึงเวทนาในฐานะมีภาษาเป็นปัจจัยภาษานี้ประชมธรรมะสามอย่างใช่ไหมจึงเรียกภาษาภาษาอันนั้นแหละเป็นปัจจัยของเวทนาเนี่ยนะพันธะพูดถึงเวทนาก็อุปาทานขันห้าก็เท่ากับแสดงหมดละเนี่นยนะแต่ทีนี้เวทนาทั้งหลายดํารงอยู่ได้เพราะอาศัยภาษะถ้าภาษะที่เกื้อกูลต่อสุขเวทนาเกิดนานความสุขก็เกิดนานนะ ถ้าภาษาเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานานก็ทุกนานถ้าภาษาที่เกื้อกูลต่ออุเบกขาเวทนานานก็เฉยเฉยนานบางคนนี่เฉยทั้งวันเลยใช่ไหมเสียใจทั้งวันมีไหมคุณนภ า, ายังเลยไ ม, ไ ม, ไม่มีเป็นพัก ๆ, นะๆกันนะมันคล้ายๆคล้ขึ้นงั้นนะเป็นพักๆกอานะไอ้โทมนัตเวทนาเนี่ยถ้าโสมานัตเวทนาแหละก็ไม่มีใครหัวเราะได้ทั้งวันอีกนั่นแหละแต่ว่าดำรงอยู่ด้วยปัจจัยอ่ะนะ คนท่าได้ปัจจัยมันก็โสมนัสก็เกิดถ้าได้ปัจัยโทมนัสก็เกิดนะนะปัดใจสำคัญก็คือภาษานะไปกระทบอารมณ์นั้นนั้นภาษานั่นแหละคือการประชุมกันของขันห้าเนี่ย น, นะแอบเรียกว่าขันขันห้าเนี่ยมีฉันทะเป็นมูลคือมีตัณหาเป็นมูลมีภาษะเป็นที่รวมเนี่ยนะแล้วก็มีเวทนาเนี่ยเป็นเป็นที่ประชุมว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นถ้ามีเวทนาเนี่ยให้รู้ว่า ขันท่านั้นประชุมพร้อมแล้วนั่นนะไอเวทนาอันนี้เนี่ยนะมีภาษะเป็นปัจจัยถ้าว่ามองแบบใกล้ๆเลยนะแต่ถ้ามองไกลหน่อยถ้ามองแบบมีกรร ม, มสักกาหน่อยก็บอกว่าเวทนาเหล่านี้เกิดจากตันหานั่นนะอวิชาตันหกรรมก็เวทนาเวทนาสมุทัย ต่อด้วยอะไรคุณภนภเวทนานิโรธนะถ้ า, น, านะแล้วก็อาศัยข้อปฏิบัติคือเวทนานิโรธคา ม, มินีปฏิปทานะถ้าพูดถึงเวทนาจริงๆแล้วก็เท่ากับพูดถึงความรู้สึกนะนะเหมือนกับว่าเหตุการณ์ทั้งหลายเนี่ยต้องมีและความรู้สึกจึงเกิดขึ้นนะนะถ้าโลกสีก็อาหาร4ีนะรู ป, ปากายก็ดํารงอยู่ด้วยกับพลิงกระหาน ส่วนนาม Α กายก็ดำรงอยู่ด้วยภาษาหานเฉพาะเวทนาเนะีเวทนาเนี่ยดำรงอยู่ด้วยภาษาหานวิบากทั้งหลายวิบากและกรรมชืรูปทั้งหลายดำรงอยู่ด้วยมโนสัญเจตนาหานส่วนนามรูปทั้งหลายดำรงอยู่ด้วยวิญ ญ, ญาณอาหารวิญญาณอาหารอุปาทานขันห้า ก, ก็ดำรงอยู่ด้วยอาหารทั้ง4ประการนะ อาหารทั้งสี่ประการนั้นก็มีเหตุ น, นนะอะไรเป็นเหตุของอาหารทั้งสี่ประการท่านบอกว่าตันหาเป็นเหตุของอาหารทั้งสี่ประการนะันก็อาหารสี่แล้วก็สมูทไทยนิโรธมักเนี่ย น, นะตามสูตรส่วนอุปาทานขันห้าก็คุ้นเคยกันมากนะคืออุปาคำว่าทุกนะสัพทว่าทุก์ที่ไหนให้รู้ว่าเป็นนิยามของขันห้า นะสังคิตเตนะปันจุปาทานขันธ า, น ท, านทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันห้าคือตัวทุกเนี่ยนะพูดถึงคําว่าทุกอย่าไปนึกถึงคําว่าเจ็บปวดเฉยๆให้นึกถึงขันห้าไว้เสมอนะว่าว่าโดยย่อตัวทุกนั่นแหละคือขันห้าขันห้าเหล่านี้นี่แหละที่เป็นไปกับชาติชาราพย า, าธิมรณาโศกปริเทวทุกขโทมันั้นและอุปาญาตขันห้าเหล่าเนี้คือตัวตั ว, ตวทุกข ตัวทุกเหตุของเขาก็คือตันหาอยู่ดีนะว่ารวมๆเลยนะถ้าไม่มีตันหาเป็นเชื่อสะอย่างเดียวการก่อตัวขึ้นของขันห้าก็ไม่มีนะนถ้าขันห้าไม่เป็นไปเนี่ยเป็นสุขอยังยิ่งอันนั้นเป็นนิโรธสัตว์นะนะข้อปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งนิโรธสัตว์อันนั้นเป็นเป็นมตรตนนะก็ทุกทุกข์สมุทัยทุกขนิโรธทุกขนิโรธาขามีปฏิปทาเนี่นะ การประกาศถึงขันห้าโดยมากเพื่อแสดงเหตุเกิดกับความดับ เ, นะเหตุเกิดของขันห้าความดับของขันห้าซึ่งเราจะกล่าวเรียนละเอียดที่ไหนที่ขันบัพพะนะบัพพะว่าด้วยขันห้าเราจะได้เอาสิ่งนั้นมากล่าวกันมากกว่านี้ส่วนอายตนะภายในหนะโลกหกคืออายตนะภายในหกจะได้กล่าวมากกว่านี้ที่น อายตนะ บ, บพะเนี่ยนะส่วนโลกเจ็ดก็คือวิญญาณทิติเจ็ดเนี่ยนะ ว, วิญญาณทิติหมายถึงปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยนะในเจ็ดสถานที่ น, นะหรือว่าเจ็ดแห่งก็นับตั้งแต่มีร่างกายต่างกันปฏิสนธิจิตต่างกันส่วนโลกแปดก็คือโลกธรรมแปดนะขณะไหนบั่งที่ว่างจากโลกธรรม นนไม่มีว่างจากโลกธรรมเลยนนลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสรนเสริญสุขทุกข์อ่ะนะมันก็มีอยู่เท่านั้นก็วนอยู่กับโลกธรรมแปดนี่แหละถ้ายังยังอยู่ในถ้ายังมีอุปาทานขันห้าอันนี้ไม่พ้นจากโลกธรรมทั้งแปดนี่นะเพราะว่าโลกะก็หมายถึงขันห้าธรรมะก็คือแปดอย่างเนี่ยที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับกับขันห้าถ้ายินดีในการเกิดหรือยินดีในขันห้าก็ต้องยอมรับโลกธรรม เนี่ยนะพอเป็นของที่หมุนไปตามโลกส่วนโลกเก้าก็คือสัตวะทเก้า 9, ภูมิเป็นที่อาศัยของสัตว์ทั้งเก้าส่วนโลกสิบก็คืออายตนาสิบเนี่ยนะไม่ไม่รวมมโนทวารมโนกธรรมะไม่รวมถึงเพราะว่ามโนกธรรมะนี้เป็นโล ก, กุตระด้วยก็เลยโลกสิบยังไม่พูดถึงส่วนโลกสิบสองก็คืออายตนาสิบสองโลกสิบแปดก็คือธาตุสิบแปด คำว่าโลกเป็นตัวแทนของคําว่าทุกข์ก็ได้ถึงตัวแทนของคําว่าไม่เที่ยงก็ได้แต่ถ้าพูดถึงโลกแล้วก็ควรมองว่าไอ้โลกเหล่าเนี้นิยามบัญญัติสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสัตวะโลกนะสิ่งเหล่านี้แหละเอาไปบัญญัติว่านี่คือสัตว์ถ้าค้นไปจริงๆจะมีแต่สังขารเนี่ยนะคือ สังขารโลกถ้าแยกแยกออกมาเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองแล้วก็สิบแปดนะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดะเป็นที่บัญญัติเรียกว่าสัตว์โลกเนีย่ยนะ โลกคือหมู่สัตว์ทั้งหลายคือคำว่าสัตว์นั้นไม่มีอยู่จริงโดยโดยสภาวะเนี่ยนะไม่มีอยู่จริงโดยสภาวะเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเวลาจะแยกออกไปก็แยกเป็นหนึ่งสองสามสี่ก็เอหนึ่งถึงสิบปดที่มาแยกก็คือแยกสัตว์โลกนั่นแหละแต่ทีนี้เมื่อพูดถึงสัตวะโลกโดย ท, ทั่วไปก็คือเป็นที่ดูบนกับ บาปว่าในโลกทั้งหลายเหล่านี้นะอะไรบุญผลบุญผลบาปเกิดมากเนี่ยนะแต่การพูดถึงสัตว์โลกโดยเฉพาะในพุทธคุณบทว่าโล ก, กวิทูเพื่อจะได้อธิบายว่ามีทุลี่นะทุลีคือกิเลสในดวงตาเนี่ยมากหรือน้อยเนี่ยนะมีอินทรีย์อ่อนหรือแก่กล้า อาการดีหรืออาการไม่ดี น, นะสอนง่ายหรือสอนยากอ่นนะบรรลุได้ไหมอ่า น, นะคือสังขารโลกเหล่านี้มีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วโลกเหล่านี้เกิดจากสมุ ท, ทยัยแล้วโลกเหล่านี้มาบัญญัติเรียกว่าสัตวโลกคือนายกนายกนี่อริยมรรคจะเกิดได้ไหมใ น, นนะพอที่จะ โลกอันนี้มีแล้วโลกหนึ่งนะโลกหนึงโลกโลกสมูทยัยเชื่อในนี้พอมีมรรคพอจะเกิดขึ้นได้ไหมอ่นะหมายคำว่าสอนแล้วมรรคมันจะเกิดได้ไหมในในบุคคลนี้อ่นะชีวิตของแต่ละคนเนี่ยแยกมาหนึ่งสองสาสี่จนดังถึงในสิบแปดแล้วก็สมูทัยมีแล้วทีนี้ส่วนมรรคเนี่ยนะมันเป็นผลพวงของโลกเหล่านี้เนย กุศลธรรมสายที่มีอยู่ในในโลกเหล่านี้นี่แหละเป็นอุปนิสัยให้อริยมรรคก็ตรวจดูเป็นเรียกว่าพูดเป็นสำนวนสัตว์ว่าเขาจะบรรลุมรรคผลได้ไหมสอนขึ้นหรือเปล่าโปรดขึ้นไหมนี่คือการเหตุผลที่เอามาวินิจฉัยเรียกว่าสัตวโลกสร็จแล้วสัตวโลกนี้อาศัยอยู่ที่ไหนที่อาศัยเรียกว่าโอกาสโลก เนี่ยนะก็คือที่อาศัยของสัตวโลกดักไดอาศัยอยู่ที่ไหนน่าเชื่อนะปลอกเล็กๆมันก็อยู่ได้นะไข่มันก็อยู่ได้อยู่ได้ทุกขนทุกแห่งนะะมันโอกาสสโลกนี่อยู่ทุกขนทุกแห่งโดยที่สุดแม้แต่ในฝุ่นมั้นก็นะในฝุ่นนี่ยังมีมีไข่พวกไข่พระญาติไข่อะไรอยู่ในฝุ่นด้วยนะ <laughs> ก็แสดงว่าโอกาสสโลกมีอยู่ทั่วไปหมดเลย ส่วนไอโอกาสโลกอันนี้แหละอีกศัพท์หนึ่งเรียกว่าจั ก, กรวาลที่ไม่มีที่สุดหมู่สัตว์ก็ไม่มีที่สุดนั่ น, นะแต่ว่าถึงกระจายจำแนกแจกแจงโดยละเอียดมันก็คือสังขารและโลกเหล่านี้ไม่เที่ยงเหมือนกันหมดเพราะคำว่าโลกประกาศถึงความเป็นอันนี้จังของสิ่งเหล่านี้นั่ น, นะคำว่าไม่เที่ยงเนี่ยนะมันเป็นนิยามของ ของโลกว่ามันยังงั้นจริงๆแหละนแต่ว่าไม่เที่ยงนี่นะเวลาโธสะเกิดในเที่ยงไหมไม่เที่ยงไฟไหม้บ้านนีนเที่ยงไห ม, ไมเที่ยงหมดฟืนมันก็หมดแล้วนะบ้านหมดมันก็หมดด้วยอ น, นะแต่รู้ว่าไม่เที่ยงนะว่าแม่ไม่รู้โทษอะไรเลยสักอย่างนึงก็แสดงว่าหนักน้ํามามากๆแล้วนะสงเคราะห์ไม่ขึ้นแนะ่นั้นเล นั่นคำว่าไม่เที่ยงก็มาแยกว่าไอสิ่งที่ไม่เที่ยงบางอย่างเป็นกุศลนะบางอย่างเป็นอกุศลบางอย่างเป็นอัพยากตะอัพยากตะบางอย่างเป็นวิบากบางอย่างเป็นกิริยาบางอย่างเป็นรูปบางอย่างเป็นนีพ่พานก็นับเนื่องในอัพยากรรมตะนะนั้นแม้แต่คำว่าไม่เที่ยงก็ต้องมาจาแนกมาแยกมาขยายอีกครั้งหนึ่ง ไม่ใช่ว่าผมไม่เที่ยง้เลยแม้กระทั่งจารีศินวาเรศินก็ไม่ต้องรักษาเพราะทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงถามว่าผู้ที่ทราบซึ้งในสิ่งที่ไม่เที่ยงมากที่สุดนี่คือใครก็ต้องบอกว่าพระพุทธเจ้ า, ชาใช่ไหมถามว่าในโลกนี้ใครมีศีลดีที่สุดก็พระพุทธเจ้ า, าอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ถึงความไม่เที่ยงจริงๆนะนะจริยธรรมเป็นต้นดีมากนะนะความประพฤติ ท, ทางกายวาจาจริงๆแล้วจะดีมากๆ เรื่องโลกก็แล้วแต่จะน้อมไปตรึก น, นะบางพวกก็น้อมตรึกในแง่สังขารโลกเพื่อที่จะได้เห็นอริยสัจนะจุดประสงค์ของการแสดงสังขารโลก น, นะก็เพื่อที่จะให้เห็นอริยสัจนั่นเองเพื่อจะได้เพ่งวันนี้ทุกนะนี้เหตุแห่งทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกแต่ถ้าแสดงสัตวโลกเพื่ออะไรเพื่อจะได้เจริญพรหมวิหาร เพื่อจะได้เจริญเมตตาเจริญกรุณาเจริญมุทิตาและเจริญอุเบกขานันะส่วนภาชนะโลกทั่วๆไปนั้นก็แล้วแต่จะน้อมไปนั่นะเพราะเป็นของที่โอกาสโลกโดยมากกวบสัตว์ทั้งหลายเพ่งไปที่มหาพูทใช่ไหมจริงๆอ่ะเลยไปถึงที่พบที่ไม่มีมหาพูทก็มีเรียกว่าอารูปภพนี่นะอรูปภพมไม่มีมหาพูทที่นั่นเลย แต่ก่อนนี้ผมนึกว่าการเจริญพุทธคุณนี่เป็นเรื่องราวเป็นบัญญัติไปหมดมามาเดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วครับว่าการเจริญพุทธคุณเป็นเรื่องของปรมาจา์เป็นนิที่ท่านกล่าววันนี้ก็เป็นเรื่องของปรมาจา์ทั้งทั้งทั้งแต่ทั้งหมดนี้เพราะคําว่าปรมาจารย์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยมีอยู่จริงโดย ปรมัดแต่ถ้าเรียกว่าบัญญัติเนี่ยคือกลุ่มพี่น้องลุงป้านะ้าอาเนี่ยพวกเนี้จะเป็นเป็นบัญญัตินะเศรษฐียาจกอะไรทั้งหลายแหละคําเหล่านี้เป็นบัญญัติแต่พระพุทธเจ้าเป็นคําที่มีเนื้อหาอยู่ในนั้นเนี่ยนะพวกกลุ่มนี้จะเป็นพุทธะเนี่ยถ้าเพ่งก็เพ่งไปที่ไหนเพ่งไปที่การแทงตลอดอริยสัจเนี่ย น, นะขันที่แทงตลอดอริยสัจขันอนั้นเรียกว่าพระพุทธเจ้า แล้วความเป็นไปของขันเหล่านั้นเป็นยังไงเนี่ย น, นะก็ทั้งเหตุทั้งปัจจัยกลุ่มนี้ทั้งหมดเป็นปรมาสทีนี้บางท่านไปนิยามบอกปรมาัาสไม่ใช่เรื่องราวคือตัวปรมาสจริงๆเนี่ยนะจะว่าเรื่องราวหรือไม่เรื่องราวอ่ะประมาสก็เป็นอยู่อย่างนั้นนั่นแหละแต่ว่าผู้ที่เขาพิจารณาเนี่ยนะเขาเขาพิจารณาอย่างรอบคอบและตลอดสายอย่างผู้ที่เจริญผู้ทัคุณทั้งหลาย เนี่ยนะเขาไม่ได้เพ่งว่ามานั่งท่องว่าพุโทโธพุโทโธอยู่เฉยๆเนี่ยนะแต่ถ้ามันคิดต่อไปไม่ไหวก็ท่องก็ดีกว่าไปฟุ้งซ่านอ่ะนะดีกว่าคิดถึงอย่างอื่นทั้งหมดอ่ะนะคิดถึงคว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะดีกว่าคำอย่างอื่นทั้งหมดในโลกนี้แต่ว่าก็เป็นการเรียกชื่อพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยนะ แต่แต่จะให้ดีต่อไปก็คือพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระพุ้เทอเจ้ามีคุณว่ายังไงพระพุ้เทอเจ้าหมายคำว่ายังไงมาจากเหตุปัจจัยอะไรหนอทําให้เป็นพระพุ้เทอเจ้านะเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์บําเพ็ญกิจอย่างไรบ้างนะแล้วในคุณธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ในองค์ของพระองค์เนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยก็พิจารณาต่อไปนะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงโดยนะประมาทนี้แปลว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง สิ่งที่มีอยู่จริงคือประมะแปลว่าสูงสุดเนี่ยนะกับอัถะอัฐะแปลว่าเนื้อความเนื้อความที่จริงแท้เนี่ยนะคือหมายว่าไม่ต้องอธิบายซ้ํซ้ซากซากนะเพราะมันจริงอย่างนั้นแหละอย่างพุทธคุณเนี่ยจริงแท้แต่เป็นความจริงที่ไม่ได้เกิดทุกกาลและสมัยเนี่ยนะเป็นความจริงที่มีอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยนะ ความจริงแท้ที่มีอยู่ตลอดการเลยก็คือแก่เจ็บตายเนี่ยนะเกิดแก่เจ็บตายในความจริงแน่นอนแต่พระพุทธเจ้าผู้ที่จะแทงตลอดธรรมะเพื่อให้พ้นความเกิดแก่เจ็บตานยนะอันนี้ไม่นันา น, น, านจะมีทีนึ่งเนี่ยนะมันก็เรากลัวบัญญัติมากเนี่ยนะกำบางกลุ่มเนี่ยกลัวบัญญัติกลัวบัญญัติจนอยู่กับบัญญัติตลอดเลยไม่กล้าคิดถึงธระมตะเนี่ยนะนะ เพราะคําว่าประมาทก็เป็นบัญญัติอีกชนิดหนึ่งใช่ไหมปรมาทก็เป็นบัญญัตินะคําว่าประมาทก็เป็นบัญญัตินั่นแหละแต่เป็นบัญญัติที่นําไปสู่การพ้นทุกเนี่ยนะพระประเจกกับพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่แทงตลอดอัดทธรสอย่างเดียวคือแทงตลอดสภาวะธรรมอย่างเดียวโดยที่เอามาสอนไม่ได้ส่วนพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแทงตลอดธรรมะเหล่านั้นแล้วก็เอามา มาสอนได้นั่นนะงั้นการคิดอะไรก็ตามถ้าเป็นไปกับคาสอนนะคิดไปเถอะปัญหามันไม่คิดอต่สินั่นนะถ้าเป็นส่วนตัวตรรมานะอนุญาตเลยถ้าคิดคำสอนถ้าคิดได้ทั้งวันทั้งคืนดีแต่ถ้าคิดอะไรแล้วนี่วนกลุ่มรุมนะไม่ดีบาปมีโทษให้ผลเป็นทุกข์ถ้าคิดถึงคำสอนนะคำสอนไม่ช่วยให้พ้นทุกข์ไม่มีรอก น, น, นะนะถ้าถ้ามีศรัทธาในคาสอนนะ เพราะคําสอนเนี่ยนะถ้าถ้ารู้รู้จุดประสงค์ของคําสอนเนี่ยคำสอนนับหนึ่งก็ได้เคยรู้ไหมนะักคาสอนเนี่ยนับหนึ่งเพราะหมายถึงคําสอนทั้งหมดมีจุดหมายอันเดียวเท่านั้นคือวิมุตติรสเนีย่ยนะนถ้ายิ่งคิดคําสอนมากถ้าอยู่กับคําสอนจริงๆอ่ะคสอนจะบอกว่าเพื่อความไม่ถือมั่นแห่งจิตเนี่ยนะโน่นนะอรหันตผลจิตนัน่นะคสอนทั้งหมดเลยมีนับหนึ่งก็ได้คือวิมุตติรส นับสองก็ได้คือธรรมกับวินัยเนี่ยนะธรรมวินัยคำว่าธรรมหมายคำว่ายังไงรักทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วเป็นต้นวินัยก็คืออุบายเพื่อการฝึกเนี่ยนะทานับสามก็คือพระไตรปิฎกทานับห้าก็นิกายห้าทนับเก้าก็คำสอนประกอบไปด้วยองค์เก้าเนี่ยนะทานับเล่มอหมกี่เล่มหมคุณภามีกี่เล่ม เก้าสิบเอเล่มนะฉบับนี้ก็สี่สิบห้าเล่มนะถ้าโดยธรรมขันแปดหมื่นสี่พันถ้าธรรมขันนั่นนะก็แล้วแต่จะนับเอาแต่ว่าคําสอนมีจุดประสงค์อันเดียวนะเหมือนน้าทะเลมีรถเดียวคือรถเข็มฉันใดธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่พระองค์สอนทั้งหมดก็เพื่อวิมุติรถถ้าคิดถึงแต่คําสอนที่เป็นไปเพื่อเพื่อวิมุติรถแล้วไม่ได้วิมุตินี่ก็แสดงว่าหนักหนามากๆแล้วนะ ขณะคิดถึงคําสอนที่ทําให้พ้นทุกข์แล้วไม่พ้นทุกข์อ่ะไม่ต้องพูดถึงไปคิดอย่างอื่นะ <c oughs> นะนี่ยนะเจริญพุทธคุณนี่เท่ากับว่าเจริญไตรสิกขาเนี่ยถูกไหมครับมีครบหมดอผู้ที่บริบูรณ์ด้วยไตรสิกขาก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าหากว่าเราคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าจริงๆก็คิดเป็นไปกับศีลของพระองค์บ้างคิดเป็นไปกับที่เป็นสมาธิของพระองค์บ้างคิดเป็นที่เป็นไปกับ ปัญญาของพระองค์บ้างก็คือเท่ากับคิดถึงศีลสมาธิปัญญานั่นแหละเนี่ยนะนะก็และอีกอย่างหนึ่งการเจริญพุทธคุณนะทำให้เข้าใจสิ่งที่เราปฏิบัติชัดขึ้นว่าเราปฏิบัติเป็นไปตามคําสอนไหมเนี่ยนะก็เอาผลที่ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้านั้นที่พระองค์บรรลุพระองค์บรรลุยังไงบรรลุอะไรอ่านะบนรรลุด้วยข้อปฏิบัติยังไงนนะเราก็ชัดเจนตั้งแต่คุณของพระพุทธเจ้า สิ่งที่เราทำเนี่ยนะเขาเรียกว่าอนุพุทธเพื่อตรัสรู้ตามนะอนุพุทธนี่คือกลุ่มคนที่จะตรัสรู้ตามถ้าเราจะตรัสรู้ตามเราก็ควรตรัสรู้สิ่งเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยนะไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าก็บรรลุอย่างหนึ่งเราก็บรรลุอย่างหนึ่งถ้าอย่างนี้ก็จบเลยอ่ะัน <c oughs> ก, ก็ควรจะบรรลุตามพระองค์ไงถ้าใครที่จเจริญพุทธคุณเนี่ยนะ ก็เอาบทหนึ่งที่ควรมาคิดก็คือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยต้องละนิวรณ์ห้าเนี่ยนะละนิวรห้าที่ทำให้สติปัญญาเนี่ยทุรพลอ่อนกำลังสติของพระองค์ดำรงมั่นด้วยสติปฐานสี่อบรมโพธชงเจ็ดบรรลุอรหัตตมัชที่เป็นอุปนิสัยให้บรรลุคือเป็นพระสัพพัญยูเนี่ยนะถ้าเจริญพุทธคุณเนี่ย บทเหล่านี้ต้องให้แม่นนะหนึ่งสิ่งที่ละคือนิวรนที่ดํารงมั่นคือสติปัฏฐานที่อบรมคือโพ่อชงแทงตลอดอรยิยมรรคอันนั้นแหละเป็นปัจจัยแห่งพระสัพพันญูเนี่ยนะถา้าถ้าตรึกพุทธคุณจริงๆก็จะเห็นแล้วว่าเอ็นิวรน ม, มันเป็นยังไงทําไมพระองค์จึงละสติปัฏฐานเป็นยังไงทําไมพระองค์จึงตั้งมั่นอยู่ในสติปัฏฐานแล้วพ่อชงเนี่ยดียังไงพระองค์จึงอบรม แต่นะแล้วสัมโพที่คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรนะนะก็เราก็ถ้าตอบโจทย์เหล่านี้ได้เราก็เจริญพุทธคุณเป็นถ้าตอบโจทย์เหล่านี้ไม่ได้ไม่ใช่ว่านั่งคิดถึงเฉยแล้วนะนั่งคิดถึงแต่คำํำเฉยแล้วว่าเจริญพุทธคุณก็ยังไม่พอแต่ก็กล่าวว่าดีกว่าคิดถึงอย่างอื่นที่สุดในโลกนี้คิดถึงคําว่าพุโทโธอย่างเดียวนี้ก็ไม่ไปอาบายแล้วนะถ้าไปคิดก่อนจะจุตินะ นึกอะไรไม่ได้ก็อารหังหรือพูดโทก็ได้นะนึกเข้าไว้จะไม่ผิดหวังหรอกไม่แน่นะไปนึกถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงช่องถึงห้องถึงหอถึงอย่างเอืน่นเลือกสวนไรนะ้นามันจะลำบากมันจะเดือดร้อนอีกนะไปร้องระ ง, งมอยู่ในเขาเนี่เดือดร้อนอีนะึแล้ว